เรื่องอติมานะสนิมในใจหมายเลข14ในบทก่อนได้ว่าเรื่องมานะมาแล้วแต่ไม่ได้บอกท่านผู้อ่านว่ามานะนั้นเขามีพี่น้องท้องเดียวกันสมคนคือมานะหนึ่งอติมานะหนึ่งกับอาวมามะหนึ่งในสองคนหลังนี้อติมานะมีชื่อในบัญชีอุปกิเลสอย่างชัดเจน อยู่ในลำดับที่14ส่วนอาวะมานะไม่มีชื่อแต่เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้จักให้ครบจะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมานะทั้ง3นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากต้นเดียวกันเถาเดียวกันฉะนั้นเมื่อได้บรรยาย เ, าเรื่องมานะมาละเอียดพอสมควรแล้วทุระในการบรรยายอติมานะกับอาวะมานะก็เหลือน้อย ข้าพเจ้าถือว่าท่านผู้อ่านได้ทราบเรื่องของมานาอยู่แล้วเป็นอย่างดีจึงจะขอพูดเฉพาะความแตกต่างกันเท่านั้นเหมือนนักสตวศาสตร์จะอธิบายเรื่องมา้าลาล่อเมื่อเขาพูดเรื่องม้าเสร็จแล้วเรื่องลากับเรื่องล่อพูดสองสามนาทีก็รู้เรื่องกันก่อนอื่นเรามาจัดลาดับของมานาเสีก่อน ในบทก่อนนั้นข้าพเจ้าพาท่านตามไปดูว่ามานะเป็นกิเลสไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้พบว่ากิเลสมานะนี้ไปซุกอยู่จนกระทั่งถึงส่วนลึกสุดของจิตใจในอนุสัยก็มีมานะในสังโยชน์ก็มีมานะถ้าท่านสงสัยหรืออยากเข้าใจแน่ๆโปรดพลิกกลับไปดูอุปกิเลสลำดับที่13าเสียอีกครั้ง ในบทนี้เราพิจารณาเฉพาะเรื่องระหว่างมานะกับอติมานะเท่านั้นคือพูดกันเฉพาะในวงเครือญาติของมานะแท้ๆชาวบ้านไม่เกี่ยวมานะที่พูดมาในบทก่อนนั้นเราแปลกันว่าความถือตัวความทะนงตัวคนมีกิเลสข้อนี้เสียหายแค่ว่าเป็นคนตีราคาตัวเองผิด สำคัญว่าตัวเองเป็นคนประเสริฐเลิดอลอยจนทำความดีไม่ได้เพราะถูกมานะค้ำขอไว้นั่นมานะเฉยๆครั้นมาในบทนี้ท่านมาเจอมานะเข้าอีกแต่มีชื่อแปลกขึ้นกว่าก่อนคือมีคำว่าอตินำหน้าเรียกเต็มว่าอติมานะเพียงแต่ชื่อเราก็พอจะเดาได้แล้วว่า มันจะต้องเอาเรื่องยิ่งกว่ามานะเฉยๆเหมือนกับชื่อคนเราธรรมดานี่แหละถ้าชื่อของใครมีคำอะไรพิเศษนำหน้าเช่นคำว่าขุนหลวงร้อยตรีพันตรีหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าพระพนะท่านหรือคำอื่นๆก็ตามตลอดจนคำว่านักโทษชาย นักโทษหญิงถ้ามีคำพิเศษนำหน้าชื่อด้วยแล้วแสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาแล้วต้องมีอะไรผิดแปลกแน่มานะกับอติมานะก็คล้ายๆกันมานะนั้นถือตัวธรรมดาส่วนอติมานะถือตัวยิ่งกว่าธรรมดาถือตัวจัดจนกลายเป็นดูหมิ่นคนอื่นทีนี้มานะอีกข้อหนึ่ง ซึ่งอยู่ในตระกูลวงอันเดียวกันแต่มีความสำคัญน้อยจึงไม่ถูกจัดเข้าในบัญชีอุปกเล์ด้วยคืออวะมานะหรือโอมานะหมายถึงการดูหมิ่นตัวเองซึ่งจะอธิบายต่อไปข้างหน้าในตอนนี้ขอเพียงเอ่ยชื่อถึงเสียก่อนตกลงว่ามานะมีสามชนิดด้วยกันคือมานะอติมานะ อวมานะที่มี3มชนิดเช่นนี้คือแยกตามลักษณะที่ถือตัวนั่นเองอากจะลากเส้นโยงดูก็คงจะเป็นอย่างนี้มานะอยู่ตรงกลางมีลูกศรชี้ขึ้นบนเป็นอติมานะมีลูกศรชี้ลงเป็นอวมานะดูรูปใต้คลิปที่ลากเส้นออกเป็นรูปอย่างนี้ ต้องการเพียงแต่จะชี้ให้ท่านผู้อ่านเห็นว่าการถือของคนมีมานะในสามอย่างนี้ต่างกันอยู่ถือคนละทางคนมีอติมานะถือว่าตัวประเสริฐเลิศล้นจนมองเห็นมนุษย์มนาทั้งหลายต่ำช้าเล็วซามไปหมดส่วนคนมีอวมานะกลับถือตัวว่าเป็นคนอาภัพอับวาสนาจนไม่คู่ควรที่จะทำความดีใดๆนี่แหละ ความถือที่ว่าต่างกันข้างหนึ่งถือสูงอีกข้างถือต่ำจะจะเปรียบกับอาการป่วยคนอติมานะเหมือนคนเป็นโรคหลังแข็งเป็นแล้วก็ไม่ลงส่วนคนมีอาวามานะเหมือนเป็นโรคหลังงอเป็นแล้วเงยไม่ขึ้นเสียด้วยกันทั้งคู่เอาละ่ะเรื่องเปรียบเทียบพอกันที ที่พูดมาแล้วเหมือนนับลำดับพี่น้องของมานะให้ท่านฟังว่าใครอ่อนใครแก่กว่ากันทีนี้เรามาพิจารณาเฉพาะอติมานะซึ่งเป็นอุปกิเลสลำดับที่14แล้วสุดท้ายก็จะแถมเรื่องอาวามานะไว้เสียด้วยจะได้เสร็จสิ้นกระบวนความกันสิกทีอติมานะแปลกันตรงตัวว่าถือตัวยิ่งถือตัวอย่างจัด ความหมายซึ่งแสดงออกทางพฤติการของคนมีอุปกิเลส ข, ข้อนี้คือการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นบางท่านอาจสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นจะไม่เหมือนกับมานะซึ่งเป็นอุปกิเลส ข, ข้อ13หรือตอบว่าใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวมานะเฉยๆนั้นเพียงแต่ถือตัวมัวแต่ตีราคาตัวเองเท่านั้น ส่วนอติมานะนี้ทำการกดราคาค่าตัวของคนอื่นด้วยขันอติมานะนี้ได้ลวงล้ำอธิปไตยของคนอื่นเข้าแล้วพูดอีกทีมานะเฉยๆเท่ากับเรากั้นรั้วบ้านเราเองแล้วปิดประตูวไว้ไม่พอใจคบหากับใครๆส่วนอติมานะในบทนี้ไม่ใช่เพียงกั้นรั้วบ้านตัวเอง แต่มันถึงขั้นลุกเอาที่ของคนอื่นด้วยคือไปดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นเขาเข้าความประพฤติเช่นว่านี้บางทีเราเรียกว่าดูถูกเหตุใดจึงใช้คำว่าดูถูกน่าคิดเหมือนกันดูถูกความจริงมันน่าจะดีเมื่อมีคนดูถูกก็ไม่น่าจะโกรธเขาบางคนเลยเอาพูดย้อนคำกัน เป็นการพูดทีเล่นทีจริงเช่นไปทำอะไรแล้วถูกฝ่ายหนึ่งท้วงขึ้นว่าอย่าดูถูกหน้าตัวผู้ทำกลับย้อนว่าดูถูกดีกว่าดูผิดไม่ใช่หรือสำนวนอย่างนี้เป็นสำนวนที่ชวนคิดเหตุใดการดูหมิ่นกันเราจึงเรียกว่าดูถูกไม่เคยเห็นใครอธิบายไว้ที่ไหน แต่ข้าพเจ้าเองคิดว่าคําว่าถูกในภาษาไทยเรามีความหมายสองอย่างคือถูกตรงกันข้ามกับผิดและถูกตรงกันข้ามกับแพงเฉพาะคําว่าดูถูกนี้เป็นถูกอย่างหลังคือถูกตรงข้ามกับแพงไม่ใช่ตรงข้ามกับผิดคําว่าดูถูกก็หมายความว่า ดูด้วยการตีราคาให้เขาอย่างถูกถูกเห็นเขาเป็นคนไม่มีราคาค่างวดไปได้ที่ว่าดูถูกดูถูกนั้นน่าจะถูกแบบนี้มากกว่าไม่ใช่ถูกที่ตรงกันข้ามกับผิดสามัญชนทุกคนย่อมถือว่าตัวเองมีความสำคัญชีวิตมีค่าถ้าใครมาตีราคาให้ถูกถูกก็เลยไม่ชอบถ้าเป็นคนขี้โมโหโทโสหน่อย ก็เลยผ่านเอาเรื่องกับคนดูถูกทีเดียวการดูถูกอย่างคนอื่นว่านี้อาจดูถูกในแง่ไหนก็ได้เช่นดูถูกว่าเขามีความรู้น้อยดูถูกว่าเขามีฝีมือต่าดูถูกว่าเป็นคนโง่เง่ า, งาดูถูกว่าเขาเป็นคนหย่อนกำลังและอื่นๆอีกและคนที่มีมานาประเภทนี้อย่างแรก จริงๆแล้วก็อาจนึกดูถูกดูหมินไปได้ทั้งนั้นดูหมินเด็กก็ได้ดูหมินผู้ใหญ่ก็ได้พ่อแม่ก็ดูหมินได้ญาติพี่น้องของตัวแท้ๆก็ดูหมินได้จนกระทั่งครูบาอาจารย์ก็ดูหมินได้รวมความว่าดูถูกดูหมินไปได้ทั้งนั้นไม่ว่าใครถ้าจะยกเว้นก็เห็นจะมีคนเดียวคือตัวเขาเอง ขอแวะพูดถึงอาวัมานะสักเล็กน้อยคนมีอาวามาณะนั้นถือคนละทางกับคนมีอติมานะคือดูถูกดูหมิ่นตัวเองเห็นว่าคนอย่างตัวเองนี้เป็นคนอาพับอาบวาสนากี่ริ้วสิ้นดีไม่เหมาะไม่สมที่จะทำความดีหรือคิดหาความเจริญก้าวหน้าคนประเภทนี้มีอยู่แยะเหมือนกันตอน โทษของอติมานะแต่บรรยายมาแล้วว่าอติมานะก็งอกขึ้นจากมานะนั่นเองคนมีมานะทำผิดชั้นเดียวคือผิดทางถือตัวส่วนคนมีอติมานะทำผิดสองชั้นคือผิดทางถือตัวนั้นด้วยแล้วแถมผิดในการล่วงเกินคนอื่นอีกด้วยคือไปดูถูกเยยดหยามเขา ตกลงว่าคนมีอติมานะจึงเป็นคนมีความผิดติดตัวอยู่สองกระทงคือกระทงที่หนึ่งถือตัวกระทงที่สองดูถูกคนอื่นฉะนั้นในการวินิจฉัยโทษของอุปกิเลข้อนี้ขอได้โปรดทราบว่าคนมีอติมานะนี้ยอมได้รับโทษเช่นเดียวกับคนมีมานะซึ่งบรรยายไว้แล้วในลำดับที่13นั้น ทุกประการท่านผู้ใดสงสัยก็เชิญพลิกไปดูคำบรรยายต่อ น, นั้นได้ในที่นี้จะบรรยายเฉพาะความผิดกระทงที่สองการดูถูกคนอื่นที่เรียกว่าอาติมานะนี้เป็นผลเสียแก่ตัวผู้ประพฤติและแก่สังคมเป็นอันมากหากพูดกันง่ายๆคือไม่มีผลดีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือทางความก้าวหน้า หรือทางสังคมใช้ไม่ได้ทั้งนั้นลองดูทางจิตใจเสียก่อนที่มันเสียนั้นเริ่มเสียจากใจทีเดียวมานะอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำให้ใจเป็นธรรมชาติกระด้างหรือด้านในพระบาลีบางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกคนที่มีกิเลสชนิดนี้ว่าคนกระด้างตรงๆทีเดียวเช่น บาลีในสุตตนิบาตคุตกานิกายว่าชาติทัตโธนะทัตโธโคตัทัตโธจะโยนโรสัญญาติงอติมัญชติตังปราพวโตมุขแข่งคนใดแข็งกระด้างด้วยชาติแข็งกระด้างด้วยทรัพย์แข็งกระด้างด้วยตระกูล ดูหมิ่นญาติของตนพฤติการของเขาเป็นทางนำไปสู่ความหายนะคำว่าถัดโถในพระบาลีนี้แปลว่าความกระด้างโดยความหมายหมายถึงมานะความถือตัวซึ่งทำให้จิตใจกระด้างพื้นที่ที่เป็นลานหินดาดแข็งกระด้างเกินไปปลูกพืชพันธุ์ให้งอกงามขึ้นไม่ได้ ต้นไม้ที่ตายแห้งแข็งกระด้างแล้วแม้จะรดน้ำเท่าไหร่ก็งอกใบอีกไม่ได้เพราะมันแข็งกระด้างเสียแล้วใจคนเรานี้ก็เหมือนกันถ้ามีลักษณะแข็งกระด้างเสียแล้วคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่มีอยู่แล้วก็งอกงามขึ้นไม่ได้สิ่งที่ทำให้ใจแข็งกระด้างก็คือความเย่อหยิ่งจองหองและการดูหมิ่นเยยดยามคนอื่นนี่เอง ใจของคนประเภทนี้มีลักษณะเป็นต้นไม้ลืมดินไปไม่เท่าไหร่ก็ตายซากท่านี้ก็พอจะเห็นได้แล้วว่ากิเลสข้อนี้ทำความเสียหายอย่างไรให้แก่จิตใจและคนที่มีจิตใจกระด้างตามไปด้วยเขาจะเป็นคนชอบทำชอบพูดเป็นเชิงดูหมิ่นเหยียดยามคนอื่นและนั่นก็คือการลิดรอนมิรจิตมิรใจ ที่คนทั้งหลายจะให้แก่เขาสายตาที่ดูหมิ่นคนอื่นนั้นคือสายตาที่ท้าทายให้คนอื่นเป็นศัตรูต่อเขาเองเขาพูดเพื่อหาศัตรูเขาทำเพื่อหาศัตรูเขาทำเพื่อสร้างศัตรูเขาคิดเพื่อก่อศัตรูและรวมความโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือเขามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างศัตรูสำหรับตัวเองยิ่งอายุยืน ศัตรูก็ยิ่งมากขึ้นเพราะใจของคนทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ย่อมพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับคนที่ดูหมิ่นเขาอยู่เสมอเป็นนั้นว่าคนดูหมิ่นคนเป็นคนตัดทางก้าวหน้าของตนเองเรื่องสังคมยิ่งเห็นได้ชัดการดูถูกดูหมิ่นกลับนำความหายนณมาสู่สังคมอย่างมากมาย เมื่อราว0ปีมานี้นักเรียนไทยชุดหนึ่งไปเรียนอยู่ต่างประเทศในฐานะของลูกคนสามันไปได้รับการสบปรมาทดูหมินจากบุคคลผู้เกิดในวงตระกูลสูงสักและมีนิสัยชอบดูหมินคนเขาพากันน้อยอกน้อยใจและเกลียดชังผู้ที่ดูถูกเขาแต่สู้หวานอมขมกลืนเอาไว้เพราะกำลังตัวยังอ่อน ครั้นสำเร็จการศึกษาแล้วกลับสู่ประเทศไทยการดูหมิ่นที่เขาได้ประสบมาเมื่อครั้งกระโนนได้กระตุ้นเตือนใจเขาอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดก็ได้กระทำการยึดอำนาจในแผ่นดินและในการปฏิบัติการนั้นได้เพ่งเล็งที่จะล้มล้างตระกูลวงของผู้ที่ดูถูกเขานั้นให้ราพนาศูนให้สมที่เขาถูกเหยียดหยามา ีก็เพราะอติมาณะในใจของคนคนเดียวแท้ๆคนดูหมินนั้นจึงอยู่ในลักษณะเป็นคนชักศึกเข้าบ้านอย่างน่าชังและในยุคนี้เองได้เกิดความโลเวงป่วนปั่นขึ้นในวัดต่างๆในพระนครเพราะการดูหมินเหยียดหยามกันระหว่างคนต่างภาคพระภิกษุสา ม, มนเณรที่เป็นคนชาวภาคกลาง ดูหมินพระภิกษุสา ม, มนเณรซึ่งเป็นชาวภาคเหนือและภาคอีสานเมื่อดูหมินกันหนักๆเข้าสังคมภายในวัดก็เกิดการแตกแยกและสับประสายและน่าสังเกตว่าพฤติการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเฉพาะในวัดซึ่งถือกันว่าเป็นวัดเจ้าวัดนายหรือสมภารวัดเป็นคนสำคัญตัวว่าสูงสักเมื่อสมภารถือตัวเช่นนั้น บรรดาลูกสมภารหลานเจ้าวัดก็พ่อยทนงตั้งป้อมรังเกียรพระเนนที่มาจากบรร น, นอดผลที่สุดก็แตกกันเหตุการณ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นมากับตัวเองจริงๆในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นสมณเณรและทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรวมความโดยเบ็ดเสร็จแล้วสำคัญที่ผู้เป็นประมุก ถ้าผู้เป็นประมุขมีหัวทางดูหมิ่นเหยียดหยามคนแล้วเป็นได้เรื่องทุกทีทำท่ า, ทาจะล้มทั้งวัดวามามากแล้วนี่เล่าให้ฟังว่าอาติมาณะมันร้ายเพียงใดบางอาจเข้าไปเกิดอยู่ในวัดในวาก็ได้แทรกอยู่ได้แม้แต่ในกลีบกาสาวพัดนับประษาอะไรกับพวกเราชาวบ้านถ้าไม่ระวังให้ดีเราจะเสียเชิงกิเลสแน่ เหตุการณ์สดสดร้อนร้อนนี้ก็มีท่านสมาชิกยังคงจำได้ดีไม่ใช่หรือคือในสมัยเลือกตั้งผู้แทนรัษดรที่เราเรียกกันว่าเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2500นี้คือก่อนที่ข้าพเจ้านั่งเขียนคำบรรยายนี้ไม่ถึงสองเดือนในการเลือกตั้งคราวนี้มีพักการเมืองใหญ่สองพักส่งคนเข้าสมัครแข่งขันกัน คือพักชาติสังคมกับพักประชาธิปัตย์ดอกนั้นเสร็จย่อยเราเป็นที่รู้กันว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักฝ่ายค้านที่กำลังครองใจประชาชนอยู่ทีเดียวมีคนเป็นอันมากหวังว่าพักประชาธิปัตย์คงจะชนะแน่นอนซึ่งเป็นความคาดหวังที่มีเหตุผลอยู่แต่ครั้นถึงตอนหาเสียง เกิดมีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์พูดดูถูกเหยยดยามคนภาคอีสานว่าคนภาคอีสานเป็นคนขี้เกียจกินข้าวไม่ล้างมือคนพูดจะพูดจริงหรือไม่และพูดว่าอย่างไรแน่ข้าพเจ้าไม่รับรองแต่ที่แน่ที่สุดคือมีนักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งทาการประโคมเป็นการใหญ่ว่า ภาคประชาธิปัตย์ดูถูกเยียดหยามภาคอีสานจนเสียงประโคมนี้เข้าไปลุกเป็นไฟอยู่ในหัวใจคนภาคอีสานทั่วไปที่เชื่อง่ายก็เชื่อเอาเป็นจริงเป็นจังว่าพวกตนถูกเยียดหยามที่เชื่ อ, อยากหน่อยก็เพียงสงสัยว่าเขาจะพูดจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแน่ผลที่สุดในการเลือกตั้งทางภาคอีสาน พรรคประชาธิปัตย์ต้องประสบความพ่ายแพ้อย่างยับเยินการพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากข่าวที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ดูหมิ่นคนอีสานเป็นจุดใหญ่ที่ขพเจ้าเขียนนี้ไม่ประสงค์จะวิจารณ์การเมืองจะ ต, ต้องการชี้โทษของอุปกิเลส ข, ข้ออติมานะเท่านั้นคนทุกคนไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นเหยียดยาม การดูหมิ่นคนจึงเป็นภัยแก่ความมั่นคงของสังคมอติมานะล้มอนาคตของคนก็ได้ล้มวัดก็ได้ล้มได้กระทั่งเสียงนิยมของพรรคการเมืองและยิ่งกว่านั้นอติมานะล้มได้จนกระทั่งรัฐบาลและประเทศชาติดังเรื่องความพินาศย่อยยับของสากยาวงซึ่งจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้